ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยเล่มที่21พระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายจตุ ก, การนิบาทพระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกายจะตุกะนิบาทขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งปฐมปันนาฏหนึ่งพันธคามวัคหมวดว่าด้วยพุทธกิจในพันธคาหนึ่งอนุพุทธสูตรว่าด้วยการตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิน้นภพเขาพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพันธคามแคว้นวัดจีณนะที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาครับสั่งเรื่อภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทำสีประการเราและเธอทั้งหลายจึงที่เร่ร่อนไป ตลอดการยาวนานอย่างนี้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีลเราและเธอทั้งหลายจึงที่เร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ 2. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิเราและเธอทั้งหลายจึงที่เร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ 3. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญา เราและเธอทั้งหลายจึงที่เร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้สี่เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติเราและเธอทั้งหลายจึงที่เร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสีลเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญา เราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติเราถอนภวะตันหาได้แล้วภวะเนติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณะพาสิณีแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าธรรมเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผู้มียศตรัสรู้แล้ว ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระศาสดาทรง ร, รมที่สุดแห่งทุกข์มีจักสุปรินิพานแล้วอนุพุทธสูตรที่หนึ่งจบสง ปฏิตตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ตกจากธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเราเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยอริยศีนเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้2 บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยอริยะสมาธิเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้ 3. บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยอริยะปัญญาเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้ 4. บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยอริยะวิมุตติเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหลเราเรียกว่า ผู้ตกไปจากธรรมวิันนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการเราเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวิไนนี้ธรรมสีประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยศีนเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวิันนี้ 2. บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยสมาธิเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวิันนี้ สบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยปัญญาเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้ 4. บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยวิมุตติเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แหลเราเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้ผู้เคลื่อนจากธรรมวินัยนี้ย่อมตกไป ผู้ตกไปและกำนัดเพราะราคาต้องกลับมาอีกเมื่อทำกิดที่ควรทำยินดีสิ่งที่ควรยินดีจะบรรลุสุขด้วยสุขปฏิตตสูตรที่สองจบสาม ปฐมมัคคตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกาจัดสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอส์บุรุษประกอบด้วยธรรมสีประการย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากธรรมสีประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียน 2. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญ 3. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 4. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสภิกษุทั้งหลาย คนพานผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตว์ปุรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกําจัดถูกทําลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตว์ปุรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกําจัดไม่ให้ถูกทําลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียน และประสบบุญเป็นอันมากทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. พิจารณาไตรตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียน 2. พิจารณาไตรตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญ 3. พิจารณาไตรตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 4. พิจารณาไตรตรองแล้ว แสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสภิษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัต บ, บุุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกําจัดไม่ให้ถูกทําลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากผู้ใดกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนหรือกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่า ้ังสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้นการปลาใช้ด้วยซับในการเล่นการพนันจนหมดตัวนี้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่การที่บุคคลมีใจประทุษร้ายในบุคคลที่ดำเนินไปดีแล้วนี้เท่านั้นเป็นความผิดมากกว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้นหนพ นิระพุทธกรับกับอีกห้าุทธกะกับปฐมมคคตะสูตรที่สามจบ 4. ทุติยะคตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัดสูตรที่สอง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นสัตว์บุรษปฏิบัติผิดในบุคคลสีจำพวกย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นสัตว์ปุรปฏิบัติผิดในมารดา ย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก 2. คนพานผู้มีเชียบแหลมเป็นสัตว์บุรุษปฏิบัติผิดในบิดาละถึง 3. คนพานผู้มีเชียบแหลมเป็นสัตว์บุรุษปฏิบัติผิดในตถาคต 4. คนพานผู้ม่เชียบแผลมเป็นสัตว์บุรุษ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 ปฏิบัติชอบในมารดาย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทําลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมาก 2. บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตปบปุรุษปฏิบัติชอบในบิดาละถึง 3. บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตปบปุรุษปฏิบัติชอบในตถาคต 4. บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษ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 และประสบบุญเป็นอันมากนรชนผู้ปฏิบัติผิดในมารดาบิดาตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของตถาคตนั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะการไม่ประพฤติทธรรมในมารดาบิดานั้นบัณฑิต ท, ทั้งหลายจึงติเตีนนรชนนั้นในโลกนี้แหลเขาจากโลกนี้ไปแล้วจึงไปสู่อบาย ส่วนนรชนผู้ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของตถาคตนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากเพราะการประพฤติทธรรมในมารดาบิดานั้นบัณฑิต ท, ทั้งหลายจึงสันเสริญนรชนนั้นในโลกนี้แหลเขาจากโลกนี้ไปแล้วจึงบรรเทิงในสวรรค์ทุติยคตะสูตรที่สจบ อนุสโสตัดสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไปตามกระแสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ไปตามกระแส 2. บุคคลผู้ไปทวนกระแส 3. บุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่น 4. บุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกบุคคลผู้ไปตามกระแสเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เสพกามและทำบาปกรรมนี้เรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแสบุคคลผู้ไปทวนกระแสเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรมแม้มีทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจร้องไห้น้าตานองหน้า ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นี้เรียกว่าบุคคลผู้ไปทวนกระแสบุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะโอรัมภาคิยะสังโยตสังโยตเบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปริณิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่น บุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลก ในโลกนี้ชนผู้ม่สำรวมในกามทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะบริโภคกรมตามปกติถูกตันหาครอบงำเข้าถึงชาติและชราเสมอชื่อว่าผู้ไปตามกระแสเพราะเหตุนั้นแหละบุคคลผู้เป็นนักปราดมีสติตั้งมั่นในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรมแม้มีทุกข์ก็ยังละกามได้ บัณฑิต ท, ทั้งหลายเรียกบุคคลผู้เป็นนักปราตนั้นว่าผู้ไปทวนกระแสนรชนผู้ละกิเลสห้าประการได้มีศีรษาบริบูรณ์เป็นผู้ไม่เสื่อมแน่นอนถึงความเชี่ยวชาญในจิตมีอินทรีย์ตั้งมั่นบัณฑิต ท, ทั้งหลายเรียกว่าผู้มีภาวะตั้งมั่นบุคคลผู้ประกอบด้วยญาณกำจัดธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลให้สิ้นไปไม่เหลืออยู่ เป็นผู้ถึงเวทยูยโจพรมจรรันถึงที่สุดแห่งโลกบัณฑิตเรียกว่าผู้ถึงฝั่งอนุโสตะสูตรที่หจบหกอปสุตสูตรว่าด้วย บุคคลผู้มีสุตะน้อยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีสุตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตต 2. บุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตต 3. บุคคลผู้มีสุตตมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตาส บุคคลผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงสุตตะบุคคลผู้มีสุตตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอาภูตรธรรมเวทันละน้อยทั้งเขาก็หารู้อัตรู้ธรรมแห่งสุตะน้อยนั้น แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีสุตตะน้อยแต่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยะละถึงเวทันละน้อยแต่เขารู้อัตรู้ธรรมแห่งสุตตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยะละถึงเวทันละมากแต่เขาหารู้อัตรรู้ธรรมแห่งสุตตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตะ เป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะอภูตธรรมเวทันละมากทั้งเขาก็รู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงสุตะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกถ้าบุคคลมีสุตะน้อยทั้งไม่ตั้งมั่นในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมติเตียนเขาทั้งในด้านศีลและสุตะถ้าบุคคลแม้มีสุตตะน้อยแต่ตั้งมั่นดีในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในด้านศีลแต่สุตะของเขาไม่สมบูรณ์ ถ้าบุคคลแม้มีสุตตะมากแต่ไม่ตั้งมั่นในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมติเตียนเขานด้านศีลแต่สุตตะของเขาสมบูรณ์ถ้าบุคคลมีสุตตะมากทั้งตั้งมั่นดีในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาทั้งในด้านศีลและสุตตะใครเล่าจะสามารถติเตียนเขาผู้มีสุตตะมากทรงธรรมมีปัญญาเป็นพุทธสาวกผู้เป็นเหมือนแท่งทองชมพูนุต แม้เทวดาและมนุษย์ก็สรรเสริญเขาถึงพรมก็สรรเสริญเขาอปัสุตสูตรที่6จบ 7. โสภณสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจ่จำพวกนี้ผู้เฉียบแหลมได้รับคําแนะนําดีแกล้าเป็นผู้หูสูดทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทําหมู่ให้งามบุคคลสีจ่จำพวกไหนบ้างคือในธรรมวินัยนี้หนึ่งภิกษุผู้เฉียบแหลมได้รับคําแนะนําดีแกล้าเป็นผู้หูสูดทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทําหมู่ให้งาม 2. ภิกษุณีละถึงสอุบาสกสอุบาสิกาผู้เฉียบแหลมได้รับคําแนะนําดีแกล้วกล้าเป็นผู้หูโสตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทําหมู่ให้งามภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหลผู้เฉียบแหลมได้รับคําแนะนําดี แก ล, กล้าเป็นผู้หูสูดทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทําหมู่ให้งามบุคคลผู้เฉียบแหลมแก ล, กล้าเป็นผู้หูสูดทรงธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรียกว่าผู้ทําหมู่ให้งามภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลภิกษุณีผู้เป็นพู้หูสูดอุบาสกผู้มีศรัทธาอุบาสิ ก, กาผู้มีศรัทธา ชนเหล่านี้แลย่อมทำหมู่ให้งามชนเหล่านี้แลชื่อว่าสังคโสภณนะโซภณะสูตรที่เจ็ดจบ 8. เวสาราชสูตร ว่าด้วยยานเป็นเหตุให้แกล้ากล้าภิกษุทั้งหลายเวสาราชยานยานเป็นเหตุให้แกล้ากล้าสีประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญายืนยันฐานะที่อง์อาจบรรเลือสีหนาฏประกาศพรหมจากในบริษัทเวสาราชยานของตถาคตสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่า สมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราเลือกคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่าท่านปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะธรรมเหล่านี้ท่านก็ยังไม่รู้เราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม่นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล่วกล้าอยู่ 2. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลก จากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่าท่านปฏิญญาว่าเป็นพระขีณาสพอาสะวะเหล่านี้ของท่านก็ยังไม่สิ้นไปเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความกระเสมไม่มีความกลัวแกล่ากล้าอยู่สเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณนะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่า อันตรายกะระมที่ท่านกล่าวไว้ไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้เสพได้จริงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้ า, ลาอยู่4เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใด ประโยชน์อย่างนั้นไม่สำเร็จเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้ทําตามได้จริงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้ า, ลาอยู่ภิกษุทั้งหลายเวสาราชยานสี่ประการนี้แหลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบันเลอสีหนาฏประกาศพรมจักในบริษัท วาทะาเหล่าใดที่สมณะหรือพราหมณ์ต ร, รีมไว้แพร่หลายวาทะาเหล่านั้นมาถึงตถาคตผู้ก ล, กล้ากล้าผู้ล่วงวาทะาได้ย่อมไม่มีผลสัตว์ทั้งหลายย่อมนมัสการตถาคตผู้เพียรพร้อมด้วยโลกุตรธรรมทั้งหมดผู้ประกาศธรรมจากรครอบคลุมทั้งหมดผู้อนุเคราะห์สัตว์ทุกจำพวกผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ผู้ถึงฝั่งแห่งภพเช่นนั้น เวสาราชสูตรที่8จบ 9. ตันหู ป, ปาทสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งตันหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย มีเหตุเกิดแห่งตันหาสประการนี้ที่ตันหาเมื<_<_่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นได้มีเหตุเกิดแห่งตันหาสประการอะไรบ้างคือ 1. ตันหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุ 2. ตันหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะบินทบาทเป็นเหตุ 3. ตันหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ 4. ตันหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าภิกษุทั้งหลายมีเหตุเกิดแห่งตันหาสี่ประการนี้แหลที่ตันหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นได้บุคคลมีตันหาเป็นเพื่อนเที่ยวไปตลอดการยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัตรที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้รู้ตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พึงเป็นผู้ไม่มีตันหาไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปัญญะอยู่ตันหู ป, ปาทสูตรที่เก้าจบ 10. โยคสูตรว่าด้วยโยคะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโยคะกิเลสที่ผูกมัดไว้ในภพสีประการนี้โยคะสีประการอะไรบ้างคือ 1. กามโยคะ 2. ภวะโยคะ 3. ทิฏฐิโยคะ 4. อวิชายาโยคะกามโยคะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับ คุณโทษและเครื way, ่องสลักกรรมทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดการมทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะกรมความเพลิดเพลินเพราะกรรมความเยื่อใยเพราะกรรมความหมกมุ่นเพราะกรรมความกระหายเพราะการมความเร่าร้อนเพราะกรรมความติดเพราะกรรม ความอยากเพราะกามย่อมเกิดขึ้นในกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามโยคะกามโยคะเป็นอย่างนี้เพราวะว่าโยคะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดภพทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดพบทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงความกำนัดเพราะพบความเพลิดเพลินเพราะพบความเยื่อใยเพราะพบความหมกมุ่นเพราะพบความกระหายเพราะพบความเร่าร้อนเพราะพบความติดเพราะพบความอยากเพราะพบย่อมเกิดขึ้นในพบทั้งหลายนี้เรียกว่าภวะโยคะกามโยคะและภาวะโยคะเป็นอย่างนี้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 ความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความติดเพราะทิฏฐิความอยากเพราะทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นในทิฏฐิทั้งหลายนี้เรียกว่าทิฏฐิโยคะกามโยคะภวะโยคะและทิฏฐิโยคะเป็นอย่างนี้อวิชายาโยคะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดภาษายาณะ6ประการออกไปตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดภาษายาณะ6ประการออกไปตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ย่อมเกิดขึ้นในภาษายาณะหประการนี้เรียกว่าอวิชายาโยคะกามโยคะภวโยคะทิฏฐโยคะและอวิชายาโยคะ เป็นอย่างนี้บุคคลผู้ประกอบด้วยบาปอากุศลธรรมที่ทำจิตให้เศร้ามองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นผลมีชาติชาราและมรณะต่อไปอีกเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้ไม่มีความเกษมปลอดจากโยคะภิกษุทั้งหลายโยคะสี่ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายความพลาดจากโยคะสี่ประการนี้ ความพลากจากโยคะ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ความพลากจากกามโยคะ 2. ความพลากจากภาวะโยคะ 3. ความพลากจากทิฏฐิโยคะ 4. ความพลากจากอวิชายาโยคะความพลากจากกามโยคะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดกามทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดกามทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงความกำนัดเพราะกามความเพลิดเพลินเพราะกามความเยื่อใยเพราะกามความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกามความเร่าร้อนเพราะกามความติดเพราะกามความอยากเพราะกามย่อมไม่เกิดขึ้นในกามทั้งหลาย นี้เรียกว่าความพลากจากกาโมโยคะความพลากจากกาโมโยคะเป็นอย่างนี้ความพลากจากภาวะโยคะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดพบทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดพบทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริง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 ความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความติดเพราะทิฏฐิความอยากเพราะทิฏฐิย่อมไม่เกิดขึ้นในทิฏฐิทั้งหลายนี้เรียกว่าความพลากจากทิฏฐิโยคะความพลากจากกามโยคะความพลากจากภาวะโยคะและความพลากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างนี้ความพลากจากอวิชาโยคะเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่ยอมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดภาษายัตนณะ6กประการออกไปตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดภาษายตัตนณะกประการออกไปตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ย่อมไม่เกิดขึ้นในภาษายตนะประการนี้เรียกว่า ความพลากจากอวิชายโยคะความพลากจากกามโยคะความพลากจากภาวะโยคะความพลากจากทิฏฐิโยคะและความพลากจากอวิชายโยคะเป็นอย่างนี้บุคคลผู้พลาคจากบาปอากุศลธรรมที่ทาจิตให้เศร้ามองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นผลมีชาติชราและมรณะต่อไปอีกเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่า ผู้มีความเกษมจากโยคะภิกษุทั้งหลายความพรากจากโยคะ4ประการนี้แหละสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชยาโยคะถึงชาติและมรณะอยู่เป็นประจำย่อมไปสู่สังสารวัฏส่วนสัตว์เหล่าใดกําหนดรู้กามโยคะและภวะโยคะโดยประการทั้งปวงถอนทิฏฐิโยคะและคลายอาวิชชาออกได้ สัตว์เหล่านั้นแลย่อมพรากจากโยคะทั้งปวงล่วงพ้นโยคะเป็นมุนีโยคะสูตรที่สิบจบพันธคามวัตรที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. อนุพุทธสูตร 2. ปฏิตะสูตร 3. ปฐมมขะตะสูตร 4. ทุติยะขะตะสูตร 5. อนุโสตสูตร อัอปสุตตะสูต ร, ตร 7. โสพนะสูตร 8. เวสาราชสูตร 9. ตันหู ป, ปาทสูตร 10. โยคะสูตร